แนะนำบทอัลกออซียะบทอัลกออซียะเป็นบทมักกียะมียี่สิบหกการได้กล่าวถึงเรื่องสําคัญสองเรื่องคือหนึ่งวันกิยามะสภาพและความน่ากลัวของวันนั้นและสิ่งที่ผู้ปฏิเสธศรัทธาจะได้พบในวันนั้นถึงความเหนื่อยยากและความลําบากและสิ่งที่ผู้ศรัทธาจะได้พบกับความสงบสุขและความเบิกบานในวันนั้นหลักฐานและข้อพิสูจน์ต่างๆถึงความเป็นเอกภาพของพระเจ้าแห่งสากลลโลก และเดชานุภาพของพระองค์ในการสร้างอูดอันน่าประหลาดท้องฟ้าอันน่าประหลาดภูเขาอันสูงตรังงานและแผ่นดินที่ปูลาดอย่างกว้างขวางทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานยืนยันถึงความเป็นเอกภาพของอัลลอฮ์และความรุ่งโรจน์แห่งอำนาจของพระองค์บทนี้ได้จบลงด้วยการเตือนถึงการที่มนุษย์ทั้งปวงจะกลับไปยังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตาลา เพื่อการชำระการสอบสวนและการตอบแผนด้วยพระนามของลอู้ทสงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอข่าวคราวแห่งวันกิยามาได้มาอย่างพวกเจ้าแล้วไม่ใช่หรือในวันนั้นมีหลายใบหน้าที่ตํำต้อย ใบหน้าที่ทำงานหนักกระทบใจซึ่งจะเข้าไปเผาไหมในไฟอันร้อนแรงจะถูกให้ดื่มจากกานน้ำที่ร้อนจัดไม่มีอาหารอื่นนอกจากต้นหนามแห้งมันจะไม่ทำให้อ้วน และจะจไม่ทําใหหห้ายิวนวันนั้นมีหลายใบหน้าที่เบิกบานพึงพอใจเพราะการกระทําของพวกเขาอยู่ในสวนสวรรค์อันสูงส่งจะไม่ได้ยินเรื่องไร้าสาระในวันนั้น ในนั้นมีตาน้ำไหลรินในนั้นมีเตียงที่ถูกยกให้สูงเด่นและมีแก้าน้ำถูกบางไว้และมีหมอนอิงถูกเรียงไว้เป็นแถวและมีพรมอย่างดีเลิศถูกปูไว้ พวกเขาไม่ได้พิจารณาดูอูดบ้างหรือว่ามันถูกบังเกิดมาอย่างไ ร, ไรและอย่างท้องฟ้าบ้างหรือว่ามันจะถูกยกให้สูงขึ้นอย่างไรลและอย่างภูเขาบ้างหรือว่ามันจะถูกปักไว้อย่างไรและอย่างแผ่นดินบ้างหรือว่า มันจะถูกแผลราบไว้อย่างไรดังนั้นเจ้าจงตักเตือนเถิดเพราะแท้จริงเจ้าเป็นผู้ตักเตือนเท่านั้นเจ้าไม่ใช่ผู้มีอำนาจเหลือพวกเขาอนอกจากผู้ทีท่ธินหลังให้ และปฏิเสธสัถาเท่านั้นอละจะทรงลงโทษเขาซึ่งการลงโทษอันมาหารอแท้จริงยังเราเท่านั้นคือการกลับมาของพวกเขาแล้วก็แท้จริงหน้าที่ของเรานั้นคือการขระสอบสวนพวกเขา